เปิดหนังสือหนะ้ายสบกเห็นคนไหมบุณาจปรังภิกขเวภิกขุภิกษุทั้งหลายอย่างอื่นยังมีอยู่อีกธัมเมสุธัมมานนปัสสิวิหารติภิกษุเป็นผู้มีปรกติพิจารนาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย จตุสุอาริยสัจเจสุคืออรียาสัสสียากาทันจาพิขาเวพิกุทัมเมสุธรรมานุปัสิวิหาราตีพิกสุทั้งหลายพิกสุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย จัตูสุอารียสัจเจสุคืออเรียสัจสิอย่างนั้นเป็นอย่างไรเรายิหาวิค า, าเวพิควรปิสุทั้งหลายภิกสุในศาสนานี้อิทังดุคันติยาทาพุตตังบชานาติ ยอมรู้แจ้งชาติตามความเป็นจริงว่านี้คือทุกข์กายังทุกขาสมุทัยโยติยะาูดังบาชานาตียอมรู้แจ้งชาติตามความเป็นจริงว่านี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ อายาังทุกข์นิโรธติยทาทัพตังบัจฉานาตีอหยอมรู้แจ้งชตาติความเป็นจริงว่านี้คือความดับไม่เหลือแห่งทั่ว กายังทุกข์นิโรธคามินิปฏิปทาติตยาท้าภูตังประชนาตีย่อมรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงว่านี้คือวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทั่ว ตาตามันจาวิกเวทุ ข, ขังอริยสัจจามภิกษุทั้งหลายก็ทุกในอริยสัจนั้นเป็นอย่างไรเล่าชาติปีทุกขาชาราปีทุกข า, า, รามรณะปีทุกขามความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายก็เป็นทุก โสขปริเทวะทุกขโทมนาสุปยาสฟิทุกขาความโศความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแข็นใจก็เป็นทุกข กาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทัว่วปิเยหิวิปปโยโคทุกโคความรัดรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทัว่วยามปิจังนัลลาภติตัมปิทุกขาม มีความปรารถนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทั่วสังคิตเตนะปัญจุปาทานคันธาตุขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทางอาเป็นตัวทั่วกาตามาจาวิกาเวชาตีมบิกสูดังหลาย ความเกิดเป็นอย่างไรเรายาตสังเตสังสั ต, ตานังตัมมีตมัมมีเพียสุทั้งหลายการเกิดการกำเ น, นิดการก้าวลงการบังเกิดสั ต, ตานิกาเยชาติสัญชาติโอการตินิพพันติอภินิพพันติขันทานังปะตุปาวอายาตาน นานังปาิลาโห ก, การบังเกิดโดยยิงภาวะแห่งความปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้อายาตนาทั้งหลายในจำพวกสัตว์นั้นของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นอายังวุตจติวิกาเวชาตินี่เรียกว่าความเกิด กัตมาจาริขาเวชรานิส ja ุทั้งหลายความแก่เป็นอย่างไรเล่ายาเตสังเตสังสัตนานัตมีตมีวิสุทัังหลายความแก่มาว่าแห่งความแก่ สัตตานิกายชะราชิรนัตาขันติจังปาริจังวริตตาภาวะที่สัตว์มีฟันลุ่นภาวะที่สัตว์มีผมหมอ ภาวะที่สัตว์หนังเหี่ยวอายุโนสังหานิอินทรียานังปริปาโกความสิ้นไปแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีทั้งหลายในจำพวกสัตว์ น, นั้นๆของสัตว์เหล่านั้นาน อายมุจจติวิคเวชรามีเรียกว่าความแก่ตาตมันจะวิคเวมรางมีสู่ทั้งหลายความตายเป็นอย่างไรเรายาเตสังเตสังสัตตานังตัณหากรมหาสัตตานิายาจุติจวานตาเวโทอันดาระ านอ า, าวาแห่งการคืบเึ้นพระยะไปการหายไปกา ร, การวายชีพมารจบมารัางการกิริยาขันธานังเบิโทการตายการทำการรกกิริยาการแตกแห่งขันธ์ทั้งหลาย กาเรวารัสานิเคพอชีวิตตินดริยสซาอุปเชโทการท้อทิ้งรางการเข้าไปตัดซึ่งอินทรีย์คือชีวิตในจำพวกสัตว์นั้นๆของสัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นอีธรรมวุจจติวิคเวมระนังนีเรียกว่าความตาย กัตตามุจจวิกาเวโสโกนภิกษุทั้งหลายความสุขเป็นอย่างไรเล่าโยโควิกเวอนญะตารญะตาเรนาภยัสเนนาภิกษุทั้งหลายความสุข ก, การสุขภาวะแห่งการส่วความสุขภายใน สัมมนาคาตาสัญยาตระยานตาเรนาตุกะดัมเมนาปุถะสสโกโซจนาโจิตตังัโโสกปโตปริโสกความโศกทั่วไปในภายในของบุคคล ผู้ประกอบแล้วด้วยความชิบหายอันใดอันหนึ่งหรือของบุคคลนั้นความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอยังวุตจติวิกเวโสโกนีน่เรียกว่าความโส กาตาโมจะพิกาเวปาริเทโวุิกสูทั wo, ้งหลายความรำไรรำพันเป็นอย่างไรเล่าโยโคพิกาเวอญยะตารัญญาตารนาภยัสเนนาภิกสูทั้งหลายความครำครวญความรำไรรำพัน สมัาคาตาสาอัญญตารัญญตารีนาทุขามเมนาพุทธาสาเทวปริเทวอาเทวนาอาเทวิตตังปริเทวิตตังผอันกรุณการรำไรรำพัน อาวะแห่งผู้ครำครวนอาวะแห่งผู้ล่ำไรรำพานของบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยความชิบหายอันใดอันหนึ่ง หรือของบุคคลผู้อันความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอายังวุตจติวิกาเวปริเทวุนี่เรียกว่าความรำไรรำพัน กาตามันจะวิกาเวทุกครังภิกษุทั้งหลายความทุกข์เป็นอย่างไรเราอย่างโอพิกเวกา ย, กา ย, กา ย, กายังทุขังกายยังดุขังอาศัตต์ภิกษุทั้งหลายการทนได้ยากที่เป็นไปทางกายการไม่ดีที่เป็นไปทางกาย กายสัมผัสชาตจังดูกังพั ส, สตงเวทิตามการทนยากที่เกิดแต่ความกระทบทางกายความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดแต่การกระทบทางกายใดๆ อีทางพุทธิวิกขเวทุขังนี่เรียกว่าความทุกข์กายกาตมันจะภิกขเวโทมนาสังภิกสุทั้งหลายความทุกข์ใจเป็นอย่างไรเล่าอย่างโคภิกขเวเจตสิกังทุขังเจตสิกังอาซาตัง เพีงสู้ทั้งหลายการทนได้ยากที่เป็นไปทางใจการไม่ดีที่เป็นไปทางใจเจโตสัมปัสสะชังอาสัตังเวทายิตังการทนยากที่เกิดแต่ความกระทบทางใจความรู้สึกที่ไม่ดีอันเกิดแต่ความกระทบทางใจใดๆ ที่ทังวจติบิกเวโทมนัสังนิเรยกว่าความทุกข์ใจกาตามโอจาพิกเวอุปยโสณพิสุทั้งหลายความขัดแค้นใจเป็นอย่างไรเล่าโยโคพิกเวัญญาดารัญญาดารนาพยาสเนนา เพียงสูทั้งหลายความกุ้มใจความคาบแค้นใจ สามันนะะาญนาตาสามัญตารญยตเรนาทุกขธรรมเมนะพุทธาสาอาญาโสอุปายาโสอายาสิตตังอุปายาสิตตตังภาวะแห่งผู้คุ้มใจภาวะแห่งผู้คับแค้นใจของบุคคลผู้ประกอบแล้วด้วยความชิบหายอันใดอันหนึง่ง หรือของบุคคลผู้อันความทุกข์อันใดอันหนึ่งหรือของบุคคลผู้ความทุกข์ อ, กอย่างใ ด, ดอย่างหนึ่ ง, ง ก, กระทบแล้ว อัยยังวัชจริวิขเวอุปยาโสนิเรียกว่าความขัดแค้นใ จ, าาจากาดาโมจะวิขเวอพยายาิเยหิสัมปโยโ้ทุกข์คนทีสูตทั้งหลายความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เป็นอย่างไรเล่า ยิทาวิกขเวยาสติหุนติอานิท y ากันธามมะนาปารูปาสัทธาคันธารสะโพธพภานิสุทั้งหลายในโลกนี้อารมณ์คือรูปเสียง กลิ่นรนสิ่งที่ถูกต้องกายอันเป็นที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจแก่ผู้ใด เยวาปนาสเตหนติอนัตากามะอหิตากามะอภัสสุกามะโยคเคมากามะหรือชนเหล่าใดเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์ไม่หวังความเกือ้อกูลไม่หวังความผาสุ ไม่หวังความเกษมจากเครื่องผูรักต่อเขาญาติิสังกติสมากตัวสมุทนังมีสิภาวะการไปด้วยกันการมาด้วยกันการอยู่ร่วมกันวางกรุขีกันด้วยอารมณ์หรือผู้คนเหล่านั้น อายางวัจติวิกเวอปิเยหิสัมปโยโคทุโขพี่เรียกว่าความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทั่ว ตาาโมจ่าิกาเวปิเยหิวิปโยโคทุกโขดิสุทั้งหลายความพรักพระจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เป็นอย่างไรเล่าอินาพิกาเวยาสเตอนติอินากันตามนาปารูปัสสัท่าคันธารสาโพทภา ปิคสูทั้งหลายในโลกนี้อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องกายอันเป็นที่ปรารถนาที่รักใครที่พอใจของผู้ใด เยาวาปนาสเตหุติอตักกามีตักกามภสุกามโยคเฆมกามมาตาวาปิตาวาหรือชนเหล่าใดเป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความผาสูุ วางความกรเสมจากเครื e ่องบุพรัดต่อเขาคือมันดาบิดาตาตาวาภิกน oh ีวามิตาวาอมัจจาวายาติสาโลหิตาวามีน้องชายพี่น้องหญิงมีอามาจยาใสโลหิตก็ตาย ยาเตหิอาศังกาติอาศมาคโมอาศโมทานังอามิสีภาโวการไม่ได้ไปร่วมการไม่ได้มาร่วมการไม่ได้อยู่ร่วมไม่ได้คูกครีกันด้วยอารมณ์หรือบุคคลเหล่านั้น อายังวัจติวิคเวปิเยยิวิภโยโคตุโคเนริเรวะความภัฏรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์กตมัญจะวิขเวยํมปิชังนาลาวัตติตัมปิทุกขาง เพีกงสูทั้งหลายความที่สัตว์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์เป็นอย่างไรเล่าชาติธรรมมานังบิกคเวสัตตานังเนวังอิจฉาอุปัชฌดีเพีกสูทั้งหลายความปรารถนาเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมธรรมดาอย่างนี้ว่า นาโหวาตมะยังนัชาติธรรมะอสามานาจาวตาตโนชาติอาคาชัยาติโอนอขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดาและขอความเกิดไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายหนอ นาโคปเนตังอิชายาปตภพก็ข้อนี้ไม่ใช่สัจจะบรรลุได้ด้วยความปราถนาะยีธรรมบียมปิชังนาลาภาติตัมปิทุทขงังแม่นี้ก็ชื่อว่าปราถนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ ชาลาธรรมานังดิคาเวสัตานังเนวังอิชาอุปัชติภิกษุทั้งหลายความปรารถนาเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมะไดา้ยานิวอาอโหวาตมายังนาชาลาธรรมาสามัมา โอนอขอเราไม่พึงเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดานาจาวตานชราอาคัจยาทีและขอความแก่ไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายหนอนาโวปาเนตังอิชายปัตตาภัม ก้อนี้ไม่ใช่สักจ์จะบรรลูได้ด้วยความปรารถนาอีธรรมปิยามปิชังนลาพติตัมปิทุขัง แม่นี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์กายิี่รรมางบิกกเวสัตตานังเอวังอิจฉาอุปัจฌิติภิกษุ<ส>ทั้งหลายความปราปรถนาะเกิดขึ้นแก่หมูสัตว์ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่า อาโหวาตามายังนาพยาธิธทำมาอัสามาโหนอขอเราไม่พึงมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานาจาวะตานโนพยาธิอาคัจยาตีและขอความเจ็บไข้ไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายหนอ นาโคปาเนตังอิจชายาปตตภันก็ข้อนี้ไม่ใช่สัจจะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาะ อิทัมปิยัมปิชังนาลาพาติตัมปิทุขังแม่นี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทวงมารณาธรรมานังบิาเวสตานังเอวังอิจ้าอุปัจจติ เอกสูตรทั้งหลายความปรารถนาเกิดขึ้นแก่สาสตร์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าหโหวตามายังนามรณาธรรมาอาสามาโอนอขอเราไม่พึงมีความตายเป็นธรรมดา นาจาวตาตโนโมารนังอาคัตชัยาตีและขอความตายไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายหนอนาโคปะเนตังอิจชายาปตะภาก็ข้อนี้ไม่ใช่สัจจะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาอิธรมปิยัมปิชังนาลาภติธรมปิทุกขัง แม่นี้ก็ชื่อว่าปรารถนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ สโสกาปาริเทวทุคาโทมานาสุปยาสะอมาางังปิคะเวสตานังเอวังอิช้าอุปั ช, ชติภิกสุทั้งหลายความปรารถนาเกิดขึ้นแก่มูสัดผู้มีความโศกความรำไรรำพันควา ม, วามไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้งใจ เป็นธรรมดาอย่างนิวาอาโหวะตามายังนาโซกะปริเทวะทุกาดโทมาณะสัยาสะธัมมาอัศมานมาามโอ้นอนขอเราไม่พึงมีความโศกความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแคนใจเป็นธรรมดานาจาวตาโนสกัปริเทวะทุกขตโดมานะัสุภายาสาคตชัยยุนตีและขอความโศความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแคนใจไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายหนอนาโคปาเนตังอิจชายปาปตะพันก็ขอ้ขอนี้ไม่ใช่สัจจะบรรลุได้ด้วยความปรารถนาะยิทัมปิยัมปิชังนาลาภติตัมปิทุทขัง แม่นี้ก็ชื่อว่าปรารถนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์กาตาเมจาวิก า, า, าเวสังคิเตนะปัญจุปาทานะปันตาดุขาพิสูทั้งหลายว่าโดยย่อปาทานขันทงังอาเป็นตัวทุกข์เป็นอย่างไรเล่า ไส ย, ยทินัได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปภู ป, ปาทานคันโตขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นคือรูปเวทานาภูพาทานคันโตขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นคือเวทนา สัญญปาปาทานาคันโตขันนันเป็นที่ตั้งความยึดมันคือสัญญาสังการูปาทานาคันโตขันนันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมันคือสังการวิญญาณูปาธานาคันโตขันนันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมันคือวิญญาณ ยิ่งเมวจันติปิกะเวสังจิเตนะปัญจุปาทานะขันธาดุขาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกโดยย่อว่าอุปาทานขันธทั้งอาเป็นตัวทั่ว ยีทางวุตจติวิกขเวดุขังอริยสัจเพิกสูทั้งหลายนิเรียกว่าทุกในอริยสาน กะตามจะาพิกเวทุกขสมุททโยอริยสัจจังพิสุทั้งหลายเหตให้เกิดทุกในอริยสัจ น, นั<ม>้นเป็นอย่างไรเล่ายายังตัณหาพโพนโภวิการค<ม>วามทะยานอยากอันใดทำความเกิดใหม่เป็นปกติ นันทิราคาสหคตาเป็นไปด้วยความกำห น, นัดด้วยอำนาจความเพลินตาตาราตาพินันทินีหมายเพินยิ่งในอารมณ์นั้นนันสยทธิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ กามาตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาความทะยานอยากในกาม ความอยากมีมอยากเป็นความไม่อยากมีอยากเป็นสาโคปะเนสสัพิิาเวตันหกักตาอุปั ช, ชมานาอุปัชตดีมิสูทั้งหลายก็ความทยานอยากนั้น เมื่อจะเกิดยอมเกิดในที่ไหนกาธานิวิสมานานิวิสติเมื่อจะตั้งมันยอมตั้งมันในที่ไหนย่างโลเกปิยารูปังสัตตารูปังสิ่งใดมีสภาวะเป็นที่รัก มีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเสาตันอาุปัชมานาอุปชัชฌิตีความทยานอยากนี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเฒทานิวิสมมมานิวิสติเมื่อจะตั้งมันย่อมตั้งมันในที่นั้น กินจาโลเกปิยรูปังสาตุรูปังก็อะไรเล่ามีสภาวะเป็นทีรัง มีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกจยากคูว่าโสตังวาคานังวายิวหาว่ากายว่ามโนวาตาก็ดีหูจมูกลิ้นกายืใจก็ดีโลเกปิยะรูปังสาธุรูปังมีสภาวะเป็นที่รัก มีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเตสตานาะอุปัชามานาะอุปัชฌิีความทะยานอยากนี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเอธานิวิสมานานิวิสตีเมื่อจะตั้งมันย่อมตั้งมันในที่นั้น รูปาวาสัตวาวาคันทาวาราสาวาโพทาภาวาธรรมวารูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องกายหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจทั้งหลายโรเกปิยรูปังสัตรูปังมีสภาวะเป็นที่รัก มีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเทสาัตานาะอุปัชฌมานาะอุปัชฌติความทยานอยากมีเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเอตามิวิสมานาะนิวิสติเมื่อจะทั้งมันย่อมทั้งมันในที่นั้น จักวิญญาณวาโสตวิญญาณวะกานวิญญาณวาชิวหาวิญญาณวะกายวิญญาณวามโนวิญญาณวาความรู้แจ้งทางตาหัวจมูกลิ้นกายหรือใจโลเกปิยารูปังสาตตรูปัง มีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเทสะตนาอุปั ช, ชมานาอุปัชฌดีความทะยานอยากนี้เพื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเอทานิวิสมานานิวิสติี เมื่อจะตั้งมันยอมตั้งมันในที่นั้น จักุสัมปะโสวาโสตสัมปะโสวาขานสัมปะโวาจิหะสัมปะโวกายสัมปะโวา mano สัมปะโวการกระทบทางตายหัวจมูกลิ้นกายใจโลเกปิยรูปังสัตตรูปัง มีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเทสัตานาะอุปัชามานาะอุปัชฌติวางทยายาอย่างนี้เมือ่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเอทานิวิสมานาะนิวสติ เมื่อจะตั้งมันยัอมตั้งมันในที่นั้นจะขู่สัมผัสสชชเวทนาโสต โสตสัมปัสชาเวทนาวาคานาสัมปัสชาเวทนาวาชิวหาสัมปัสชาเวทนาวากายสัมปัสชาเวทนาวามโมสัมปัสชาเวทนาวาความรู้สึกเกิดแต่การกระทบทางตาหัวจมูกลิ้นกายหรือใจ โรเกปิยะรูปังสาตารูปังมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเตสาตันหาอุปัชชมานาอุปัชฌติความทะยานอยากนี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่ น, นั้น เทธานิวิสมานานิวิสทีเมื่อจะตั้งมันยอมตั้งมันในที่นั่น รูปะสัญญาวาสัทธะสัญญาวาคันธะสัญญาวารสสัญญาวาพุทธะภาสัญญาวาธรรมาสัญญาวาความจำหมายในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องกายหรืออารมณ์ที่เกิดกาา่ดใจโลเกปิยะรูปังสาตรูปัง มีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเทสตันนาอุปัจชมานาอุปัชฌติความทยานอยากนี้เมืม่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเอธานิวิสมานาณิวสตีเมื่อจะตั้งมัน่นย่อมตั้งมั่นในที่นั้น รูปส ha si ัญเจตนาวาสัต t h สัญเจตนาวาคัน t าสัญเจตนาวารสสัญเจตนาวาบทาปสัญเจตนาวาธรรมสัญเจตนาวาความนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องกายหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจโลเกปิยะ รูปังซาตรูปังมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเทสาตานาะอุปั ช, ชมานาะอุปั ช, ชติตีความทยานอยานี้ เ, เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเอทานิวิสมมานาะนิวิสตติ เมื่อจะตังงต้งมันยอมตั้งมันในที่นั้นรูปตาตนะวะสัธาตนะวะทันธาตันาวะาาาราสาสันะวะาโพททัปสันะวะธรรมาตนะวะวาความทยานอยากในรูปเสียงกลิ่นรส สิ่งที่ถูกต้องกายหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจโลเกปิยารูปังสัตตูปังมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเทสัตานาะอุปัชมานาะอุปัชฌติ ความทะยานอยากนี้เมื่อจะเกิดยอมเกิดในที่นั้นเอทานิวิสัมานานิวิสติเมื่อจะตั้งมันยอมตั้งมันในที่นั้น รูปาวิตาโกวาสัตว์วิตาโกวาันดาวิตาโกวรสาวิตาโกวาปุถะภาวิตาโกวธรรมาวิตาโกวความคุ้นคลีในรูปเสียงกลิ่นร้นสิ่งที่ถูกต้องกายหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจโลเกปิยรูปังสาตตรุ มีสภาวะเป็นทีร่รางมีสภาวะเป็นที่ินดีในโลกเอเทสัตนาอุปั ช, ชมนานาอุปัชฌิีความทะยานอยากมีเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเอทานิวิสมานานิวิสตี เมื่อจะตั้งมันยอมตั้งมันในที่นั้น รูปวิจารวะสัตวิจารวะกันดาวิจารวารสวิจารวะโพธิปาวิจารวะธาาวรร ม, มาวิจารวาัความไตรตรองต่อรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องกายหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจโลเกปิยรูปังสาัตา รูปังมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ดีในโลกเอเทสาตนาุปชัชฌานาะุปั ช, ชนะชชติปามทอยาอยากนี้เมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นเอธานิวิสมมนานิวิสติ เมื่อจะตั้งมันยอมตั้งมันในทีน่นั้นมิทางวุตจติวิคเวทุกขสสมุทัยโยอริยสัจจานเพกสูทั้งหลายน่เรียกว่าเห็นใหเกิดทุกในอริยสัน กาตะมันจะพิกเวทุกขานิโรธอริยสัจจงพิกสุทัังหลายก็ความดับไม่เหลือแห่งทุกในอริยสัจนานเป็นอย่างไรเรา โยตัสเยวาตนายาอาเซสวิรากนิโรธโเคือความไรยคืนโดยไม่มีเหลือและความดับไม่มีเหลือจ้าโคปตินิสโกมุตติอนารโย ความสลัดทิ้งความสลัดคืนความปล่อยวางความไม่อะไรซึ่งความทยานอยากนั้นนั้นเดียวสาโคปาเนสาพิกเวตันหาภิกษูทั้งหลายก็ความทยานอยากนี้กาท้าปัญญามาาปัญญาตี เมื่อบุคคลจะลายอมลาได้ในที่ไหนกาธาเนรุต ช, ชมานาเนรุชตชะตีเมื่อจะดับยอมดับได้ในที่ไหนยังโลเกปิยารูปังสาธารูปังสิ่งใดมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลก เเทสต า, า, า, า, าตั์น่าพะยมานาพาย่ะตีความท ย, ยานอยากนี้เมื่อบุคคลจะละยอมละได้ในที่นั้นเอธานิรุชมานานิรุตตีเมื่อจะดับยอมดับได้ในที่นั้น อินจรรูปังปิยารูปังสัตตรูปังก็ อ, อะารเล่ามีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลก จากุงวาโสตวาขานังวาชิวหาวากาย ว, วามาโนวาโลเกปิยรูปังสัจารูปังตาก็ดีหัวจมูกลิ้นกายหรือใจก็ดีมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลก เอเทสัตนะปะหิยมานาปะฮิยตีค ah ah วามทยานอย่างนี้เมื่อจะละยอมละได้ในที่นั้นเอธานีรุตชะมานาเนีรุตชะตีเมื่อจะดับยอมดับได้ในที่นั้น รูปวาสัธาวาคันทาวาราสาวาพทธปาวาธรรมวารูปเสียงกิ่นรนสิ่งที่ถูกต้องกายหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจโลเกปิยรูปบางสัตวรูปบาง มีสภาวะเป็นทีรักมีสภาวะเป็นทีินดีในโลกเอเสตสัตนาปหิยามาณปหญญาตีความทยานอยากนี้เมื่อจะละยอมละได้ใ น, นทนชชาานชชี่นั้นเอธาเนรุจชะมานาเนรุจชาตี เมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้นจยากผู้วิญญาณว่าโสตวิญญาณว่าขานะวิญญาณว่าชิววิญญาณว่ากายวิญญาณว่ามโนวิญญาณว่าวามรู้แจ้งทางตาหัวจะหมูกลิ้นกายมือใจ โลเกปิยารูปังสัตตรูปังมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเตสัตนาปิยามาณนาปิยาตีวังลายานญาตีเมื่อจะลายยมลาได้ในที่ไหน เอถานิรุจฌานานิรุจฌดีเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นานจะขูดสัมผัสโซวาโซตบาสัมผัสโซวากานาสัมผัสโซวาชิวาสัมปัสโซวกายสัมปัสโซวามโนสัมผัสโซวา การกระทบทางกายหัวจมูกลิ้นกายหรือใจโลเกปิยะรูปังสาตรูปังมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่อินดีในโลกเอเตสัตนาปิยมะนาปิยติ ความทยานอย่างนี asa, ้เมื่อจะละยอมละได้ในที่นานเอทานิรุตชะมานาเนรุตชติีเมื่อจะดับยอมดับได้ในที่นั้นจักขู่สัมปัสชาเวทนาวาโสตสัมปัสชาเวทนาวาคานสัมปัส ธนาวาชิวหาสัมผัสสัชเวทนาวากายสัมผัสสัชเวทนาวามโนทนาวาความรู้สึกเสวยอารมณ์มันเกิดจากการกระทบทางตาหัวจมูกลิ้นกายหรือใจโลเกบิยารูปังสัตรูปัง มีสภาวะเป็นทีร่รางมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเสทสาตนะปะิยะมานาปะฮิยะตีความทยานอยากนี้เมื่อจะลายยอมลาได้ในทีน่นั้นเอธานิรุชมานานิรุ ช, ชตีเมื่อจะดับยอมดับได้ในทีน่นั้น รูปสัญญาวาสัทธาสัญญาวาคันธาสัญญาวาราสัญญาวาโหทาภาสัญญาวาความจำหมายในรูปเสียงกลิ่นร้อนสิ่งที่ถูกต้องกายหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจ โลเกปิยารูปังสาตะรูปังมีสภาวะเป็นที่รางมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเทสตันนาปิยามานาปิยตีความทายานอยากนี้เมื่อจะลายอมลาไดในที่นั้น เอธานิรุชมานานิรุชติเมื่อจะดาบย่อมดาบได้ในที่นั้นรูปัสัญชิตนาวาสัตธาสัญชิตนาวาคันดาสัญชิตนาวาพระธาสัญชิตนาวาพุทภาสัญชิตนาวาธรรมาสัญเจตนาวา คางนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องการหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจโลเกปิยรูปังสาตตรูปังมีสภาวะเป็นที่รักมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลกเอเสทสัตนณบาหิยามานาบหิยติ ความทายานอยากนี้เมื่อจะลายอมลาได้ในที่นั้นเอธานิรุจฌานานิรุจติเมื่อจะดาบยอมดาบได้ในที่นั้นรูปตันหวาสัจตันหวาคันธาตันหวาราสตันหวาโพทาพาตันหวาธรรมาตันหวาโล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 ความนัยยานอยากนี้เมื่อจะลายอมลาได้ในที่นั้นเอธานิรุจชมานานิรุชติเมื่อจะดับยอมดับได้ในที่นั้นรูปาวิตาโกวาสัทธะวิตาโกวาคันธาวิตาโกวารสาวิตาโกวาโพธะภะ ธรรมาวิตาโกวาความคุณนเค้นหารูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องกายหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจโลกเกปิยรูปังสาตารูปังมีสภาวะเป็นที่รังมีสภาวะเป็นที่ยินดีในโลก เอเทสาตณนาปิยามนาปิยติความทยียญอยากนี้เมื่อจะลายอมลาได้ในที่นั้นเมทานิรุชมานานิรุชติเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่นั้นโรปาวิจารโรวาสตาวิจารโรวาคันตาวิจารโรวา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 เอเตสะตนะปะฮิยะมานาปะฮิยะตีความได้อย่างอยากนี้เมื่อจะลายยอมลาได้ในที่นั้นเพทานิรุจชมานะนิรุชตีเมื่อจะดับยอมดับได้ในที่นั้นอีทางวจจติพิกเวทุกันิโรธโออริยสัจจัง ส่ทั้งหลายนีเรียกว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกในอริยสัจก็หน้าหน2้าว่าด้วยเรื่องของมรรการวิธีการดับทุก แต่มันจะพิกเวทุกะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพิสูจทั้งหลายก็หนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกในอริยสัจนั้นเป็นอย่างไรเรา อายะเมวะอาริโยอาทังคิโกมะโคคือความทางอันประกอบโดยองแปดประเสริฐนี้เองไส ย, ยที่ทางองแบบคือสัมมาดิิสัมมาสังกัปโปะความเห็นชอบความดำริชอบ สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตว่วาจัชอบการงานชอบสัมมาอาชีโวสัมมาวายามวะอาชีพชอบความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิความระลึกชอบความตั้งใจมันชอบ กัจามาจากพิขาเวสัมมาทิฏฐิมบิกฑสุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่ายังโคพิกาเวทุกเขยานามบิกฑสุทั้งหลายความรู้ในทั่วทั่วขาสมุทัยเยานามความรู้ในเหตุให้เกิดทั่ว ทุกขานิโรธยานามความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทุกขานิโรธตากามินิยาปฏิปทาญญานามความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันใด อ่ายังวจติวิกเวสัมมาทิฏฐินิริยควาบมิชอบอาตาโมจิวิกเวสัมมาสังกปรบิกสุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรเรา เมตมาสังกับโพภิสูทั้งหลายความดำรีในการออกจากการมอาภิญาปาทาสังกับโพความดำรีในการไม่พยาบาทอาวิงสาสังกับโพความดำรีในการไม่เบียดเบียน <qu> <qu> กายังเวชติภิกขเวสัมมาสังกภาพนิริยาวาตามดมรีชอ กตามาจะริขเวสัมมาวาจาพิสุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรเล่ามูสาว า, าทาเวรามณีพิสุทั้งหลายการเว้นจากการพูดแทนปิสุนัยวาจายเวรามณีการเว้นจากการพูดส่อเสียด อรุษายาวาจายเวรมณีการเว้นจากการพูดคำยาสัมภปาละปาเวรมณีการเว้นจากการพูดเธื่อเจรียญวุจติภิกขเวสัมมาวาจานิเรียกว่าวาจชอบ กาตาโมจะวิฆาเวสัมมากรมมันโตภิสุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรเราปานาติปาตาเวรมณีภิสุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์อาทินาทานาเวรมณีการเว้นจากการลักทรัพย์ กาเมสุมิชาจาราเวรมนีการเว้นจากการประพฤติผิดในการอางวุจติพิาเวสัมมากัมมันโตนี่เรียกว่าการงานชั่งกาตธมโจาพิาเวสัมมาอาชิโวนิสุทังลาย อาชีพชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทาภิขขเวอริยสาวโกุปิสุทั้งหลายอริยสาวกในปรสนานี้มีชาชีวงังปหายะสัมมาอาชีเวนาชีวิกังกับเปติ ละการเรียงชีพที่บิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเรียงชีพที่ชอบอายังวุจจติพิกาเวสัมมาอาชิวนี่เรียกว่าอาชีพชอบ กตาโมจ่พิขาเวสัมมาวายาโมภิสุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรเรายิทาพิขาเวภิกขุภิสุทั้งหลายภิสุในาศาสนานี อานุปันนาังปัปะกันนังอากุสะระนังธรรมานังอานุปตายาฉันทังชาเนติวายามติวิริยังอาราปติจิตตังปะขันหาติปัตถหาติ ยอมปลูกความพอใจยอมพยายามยอมปรารบความเพียรยอมประคองทั้งจิตว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่ยังไม่บังเกิดขึ้น อานุปันนังปาปะกานังอคุสลานังธรรมานังปะหาญายฉันทังชาเนตวายามาติวิริยังอาราปติจิตังปะคันหาติปะทาหาติ ย่อมปลูกความพอใจย่อมระยายามย่อมปรโรคความเพียรย่อมประคองตั้งจิตไว้เพื่อการลาเสียซึ่งแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันละมกที่ยังไม่บังเกิดขึ้น อนุปันนังกุสลานังธรรมานังอุปาทายาันังชเนติวายามติวิริยังอารัปติจิตังปะคันหติปะทหติย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายาม ย่มบาโรคความเพียรย่มประคองตั้งจิตไว้เพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งอกุศลดำทั้งหลายที่ยังไม่บังเกิดขึ้น กุปณะนังกุสรานังธรรมานังทิฏยาอสมโมสายาปิโยภาวียาเวปุระยาอาวนัยาปริปุริยาฉันทังชันเอติวายามติวิริยังอาราปฏิจิตังปคันติปทฏฐาธิ ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยาแยมย่อมประโรคความเพียนย่อมประคองทั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เรื้อเรือนความงอกคามยิ่งขึ้นความไพ่ปณความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว อายังโวจติพิกาเวสัมมาวายามมนี่เรียกว่าความเปลี่ยนช้ากาตามาจ่าพิกาเวสัมมาสติพิสุทั้งหลายความระลึกช้าเป็นอย่างไรเรา อิทาปิขเวปิคุณปิสุทั้งหลายปิสุในศาสนานี้กายกายนุปาสิวิหารติเป็นภูมิปรกติวิจารณาเห็นกายในกายอยู่อาตาปิสัมปัญโนสติมามีความเพียงเครื่องเผ่าบา มีความรู้สึกตัวตัวพร้อมมีสติวินัยาโรเกอภพิชาโทมนาสังนำความพอใจแระความไม่พอใจในโรคออกเสียได้เวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหรารตี เป็นผู้มีปรกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อาตาปิสัมปชาโณสติมามีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวตัวพร้อมมีสติวินัยโล โทมนาสามนำความพอใจและความไม่พอใจในโรคออกเสียได้จิตเตจิตานุปัสสิวิหรารติมเป็นู้มีประกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อาตาพิสัมปชานโนสติมามีความเพียนเครื่องเผ่าบา มีความรู้สึกตัวตัวพร้อมมีสติเวีนายโรเกอภิชาโทมนาสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ธรรมเอสุธรรมานุภาษีวิหารติม มีปกติวิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอาตาปิสัมปชาโนสติมามีความเพียรเครื่องเผาบามีความรู้สึกตัวตัวพร้อมมีสติ วินายยาโรเกอภิชาโทมนาสังนำความพอใจรแระความไม่พอใจในโรกออกเสียได้ายังมุจฉีพิคาเวสัมมาสตีนนี่เรียกว่าความระลึกาัา กาตาโมจ่พิกาเวสัมมาสมาทิิสุทั้งลายความตั้งใจมันชอบเป็นอย่างไรเราอีธาพิกาเวพิกุณพิสุทั้งลายพิสุในาศาสสนาณี วิวิเชวะกามีวิวิจักขุสเรยีธรรมีสัวิตกั วิจารังวิเวกชัมพิติสุขังปัมมงชานังอุปัสสัมปาชาวิหารตีเพราะสงัดจากกามทั้งหลายเพราะสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายยอมเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจาร์ วิติระสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่วิตกาวิจารนานังมูปัสมาหเพราะวิตกวิจาระงับิรง อาจจะตังสัมปัสสะนังเจตโสเอกโอทิภาวังอวิตะกังอวิจารังสมาทิสัมปิติสุขังทุติยังชานงอุปัสัมปัชฌาวิหารตีเอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ปิติยาจจวิราคาเพราะปิติจังหายไป อุเปกขโกจาวิหรารติสตโตจสัสมปชาโนสุขันจากายนปฏิสังเวทตีเธอวางใจเป็นกลางอยู่มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้สเสวยสุขด้วยนามกาย ยันตงอัริยาอาจิคันติอุเปขโกสตติมาสุขวิหาริติตติยังชาณังอุปสัมปัชาวิหารติยาเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยทั้งหลาย กล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้วางใจเป็นกลางอยู่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วแลอยูสสาา่สุขสัสสะจะปะหานาสุขสัจะปะหานา พอาราทุก์และสุขเสียได้ผู้แพ้วโซมนัสะโทมนัสะนังและเพราะความดับหายแห่งความพอใจและความไม่พอใจในการก่อน อาทังกามาอาทุกามาสุขังอุเปกัาสติปาริสุทติงจตุทังฌานังอุปสัมปัจจาวิหรตีเธอยำเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์ และมีใจเป็นกลางพอรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วแลอยู่อยังวุจจติพิาเวสัมมาส ม, มาธิมีเรียกว่าความตั้งใจมั่นชอบ ที่ทางวจจิติพิกเวทุกานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังีิสุทั้งหลายนี่เรียกว่าหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความไม่ไมเหลือแห่งทุกนาอริยสัง ที่อาชัดตั้งวาธรรมสุธรรมานุปัสสิวิหรารตีด้วยอาการอย่างนี้ทีพ่พิสุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทันเป็นภายในบางภายทาวาธรรมสุธรรมานุปัสสิวิหรารตี ในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายนอกบางอานิชานตาภายตาวาธรมเมสุธรรมานุปัสสิวิหรตีในธรรมทั้งหลายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบางสามูทายาธรรมานุปัสสิวาธรรมเมสุวิหรารตี แปรเป็นผู้มีปรกติกนนธรมรมมันเป็นเหตุเกิดขึ้นในธรรมบางวายาธรรมานุปัสสิวาธรรมเมสุเวหาติเห็นธรมมันเป็นเหตุเสื่อมไปในธรรมบางสามูทายาวายาธรรมานุปัสสิวาธรรมเมสุเวหาติ เห็นธรรมทั้งอันเป็นเหตเกิดขึ้นและเสื่อมไปในธรรมบางอาทิธรรมมาติวาปนาสสติปัจจุปธิตาโหติก็แรงสติคือความระลึกว่าธรรมทั้งหลายมีอยู่ดังนี้ของเธอ น, นั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้ ยาวาเทวญาณมตายามเพียงเพื่อรู้ปฏิสติมตายาเพียงเพื่ออาศัยระลึกอานิสิตโตจวิหารตีที่แท้เธอเป็นผู้ดีตัณหารดิที่อาศัยไม่ได้น่าจะกินจิโรเกอุปาทิยติ เธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้เอวมอามปีโคภิกขเวภิกขุธรรมเมสุธรรมานุปสิเวหาติภิสุทั้งหลายอย่างนี้แหละคือว่าภิกขุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย ยาตุสุอารียสเจสุคือารียสะสิยังยู่โยฮิโกจิพิคาเวฟิสุทั้งหลาย อิเมจตาโรสติปัตานเอวังภาเวยาสตวสานิมเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้ตลอดเจ็ดปีสาศัตถวินนางรารังนางัญญาตรารังบารังปาฏิกังค์ เขาพึงวางผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลทั้งสองให้เทวธรรมเมีญญาสติว่าอุปาดิเสเสอนาคามิดาคือพะอระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้ หรือเมื่ออุปาทิคือสังโยดยังเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีที่ทันตูพิาเวสตาวสานีพิสุทั้งลายเจ็ดปียกไว้ก็ได้โยหีโกจีพิาเวพิสุทั้งลายก็ผู้หนึ่งผู้ใด ที่มจัตตารูสติปัานนเอวังภาวัยยาชวสานิจ apanjawat จัตตาริวสานิจตินิวสานิจทเววสานิจเเอกังวสัญจ่าจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้ ตรอดหกปีห้าปีสีปีสามปีสองปีหรือหนึ่งปีก็ดีตสาสาธินงังภรานางังอัญญาตางัางภะรังปาติกัางามเขาพึงวางผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลทั้งสอม เทเทวธรรมเมัญญาสติวาอุปาทิเสเสานาคามิตาคือพระอรหันตในปัจจุบันชาตินี้หรือเมื่ออุปาทิคือสังโยชน์ยังเหลืออยู่ก็เป็นพระานาคามี อิทันตุภิกาเวชาวสานิจาปัญจาวสานิจจตาริวันิตินิวสานิจทเววสานิจเอกังวสัญจาที่สูงทั้งลายหกปีห้าปีสี่ปีสมปีสองปีหรือหนึ่งปีก็ไดยกไว้ก็ได้ โยหีโกจิพิขาเวพิสุทั้งหลายก็ผู้หนึ่งผู้ใดอิเมจตาโรสติปัทฐานเอวังภาวยาสตตมาสานิเจริญสติปัฏฐานสีอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้ตลอดเจ็ดเดือน ตสะทาวินนางพระรานังอัญญาตรรังพระรังปฏิกังขังเขาพึงวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลทั้งสอมที่เทวธรรมเมอัญญาสติว่าอุปาดิเศสเสอนาคามิตาอพาาระอรหันในปัจจุบันชาติ หรือเมื่ออุปาที่คือสังยดยังเรืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีที่ทันตูพิกาเวสตามสาสนิปพิสุทั้งลายเจ็ดเดือนยกไว้ก็ได้โยฮิโกจิพิกาเวพิสุทั้งลาย อิเมจัตตารสติปัฏฐานีเอวังภาวัยยัจมาสานิจปั์จมาสานิจัจตาริมาสานิตินิมาสานิจัตเวมาสานิจัมาสังจัตมาสังจัเจริญสติปัฏฐานสีอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้ ตลอดหกเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนหรือกึ่งเดือนก็ดีต่สาธวินนางบารานางอัญญาตารังบา ร, รังปาฏิกังขามเขาพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลทั้งสอง ที่เทะวธรรมเมัญญาสติว่าอุปาทิแสแสานาคามิตาคือพาอาระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินหรือเมื่ออุปาทิคือสังยอดอยังเรือยอยู่ก็เป็นพระานาคามีม พิขาเวอัตมาโสภิสุทั้งหลายกึ่งเดือนยกไว้ก็ได้โยอีก็จีพิขาเวภิสุทั้งหลายก็ผู้หนึ่งผู้ใดอีเมจตาโรสติปัตาเนเอวังภาววยัสตาม เริญสติปัฏฐานสิย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้ตลอดเจ็ดวันตาสะทาวินนงญญางพระรานางัญญาตารางพระรางปฏิกังขามเขาพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลทั้งซอม เตเทวธรรมเมัญญาสติวาอุปาติแ ส, ส้แอนาคต์คือพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้หรือเมื่ออุปาทิคือสังยดยังเรืออยู่ก็เป็นพระอนาคามี เอกญยโนภิกขเวอายังมะโกภิสุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวสัตานางวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตวท์ทั้งหลายสกาปริเทวานางังสมาติกามายา เพื่อการก้าวร่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรําพันโุกาโตมนสานังอัดทั้งขมายาเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนานยายสะอธิคีมายาเพื่อบรรูธทำมันสักพึงรู้ นิพพานาสัจจิกิริยาญาเพื่อทำพระนิพพานให้แจง้งยาติทังจัตตารุสติปัฏฐานาีหนทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ด้วยประการชนีอิติยันตังวุดังคำที่เรากล่าวมาแล้วนี้ อิทามีตังปฏิจาวุตันติเราอาศัยสติปัฏฐานสินันกล่าวแล้วอิทามวจภาพกวาอัตมานาเตปิภูพากวโตภาสสิอภินันตุ व, พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดพระสูนีจบแล้วพิสูทั้งหลายเรานั้นมีใจยินดีชื่นชมในพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประการชะนี้แล